วิธีใช้เอาวิธีใช้เจ้าเงินไปเสาเป็นสองคื อ, อาจันวันนี้อี่ข้ามสองข้ามอ่าเดี๋ยวต้องมีใบประกอบอมันจะมีเวลาอ่ะเอาเวลาประกอบอเอาแผ่นยามมาอ่าเฉพาะอันนี้อย่างเดียวอันนี้คืออะไรก็คือภูมบางวันยามใหญ่ยามย่อ ย, อยามาดู นะอันนี้แบบวางมาตรฐานนะต้องบอกไปก่อนไม่อยา้แกะวางแบบมาตรฐานธรรมดาธรรมดาอ้าวอาจารย์จะวันนี้สามขัาวันจันทร์ใช่ไหมวันนี้วันจันทร์นะอีข้ามอ่าวันนี้เท่าไหร่สองข้ามอ่าดูสองข้ามสามข้าหรือสองข้ามสามสามวันนี้อังคารหรือเปล่าจันทร์จันทร์อ่าจานทร์อังคารเออจันทร์สามข้าอาจารย์ก็ไปดูว่าวันจันทร์สองใช่ไหม สามค่ำใช่ไหมไปดูสองวันจันร์ยำใหญ่ยำใหญ่ที่ยำใหญ่ใช่ไหมอันนี้แปลว่าหกโมงหกโมงทลายที่มันตกหัวยำใหญ่ที่สองนี่ไะช่วงเช้าละถูกไหมอันนี้หัวยำใหญ่นะอันนี้ทั้งหมดคือหัวยำใหญ่อ่าถ้าเป็นวันจันวันแรกกับพ้นยำใหญ่อ่าวันจันสองใช่ไหมก็ไปดูว่ายำย่อยทำไงให้ขึ้นเสาดุยตังสําเร็จไวใช่ไหม เนี่ยเกี่ยวกับดาวจันย์ก็ไปดูที่1หนึ่งตกอะไรตกหกโมงสี่ห้าูนหนึ่งอันนี้ก็ไปเวลานี้เอาดาวจาันออกแต่ถ้าเราจะไม่เอาช่วงเวลานี้ในชั่วโมงครึ่งเนี่ยไหมจะหกโมงถึงเจ็ดเจ็ดโมงครึ่งเนี่ยเราไม่เอาเราจะไปเอาช่วงอื่นเราก็ไปดูว่าไอหัวยามใหญ่เลขอะไรเนี่ยนะอาจารย์ดูวันจย์อย่างเดียวนะหัวยามใหญ่แล้วเราจะไปช่วงนะเจ็ดมงถึงเก้าโมง จาง ก, ก็ไปดูเลขเจ็ดหัวยำใหญ่เลยเพราะว่าสองแล้วก็มาเจ็ดใช่ไหมเนี่ยจาง ก, ก็ดูที่เจ็ดหัวใหญ่เป็นเจ็ดแล้วไปดูเจ็ดมันตรงกับอะไรยายำย่อยซีก็ไปดูสีมันตกเลขอะไรตกเลขแปดในกา๒๖นาที๑๖วินาทีอันนี้นี่จะเห็นชัดอ่าเนี่ยแปดในกาอนน่ซแปดในกา๒๖นาที๑๖วินาทีอันนี้มันก็จะขึ้นเสาดูจิตังก็คือสําเร็จเรื่องดาวจันจะเห็นชัดเลยเนี่ย คือมันดูได้ทั้งก็คือดูได้เราจะเอาทั้งทั้งวันนั่นแหละที่มันอยู่ในรอบของวันจันทร์แต่สามข้าเหมือนกันแต่มันไม่ใช่วันจันทร์แต่มันเป็นวันอังคารเราก็ดูได้ว่ามันมีไหมถ้ามันไม่มีแปลว่าวันนี้มันเป็นกะลกินียามใหญ่ยาำย่อยมันไม่ดีอะไรแปลว่ามันไม่มีวันอังคารนี่ไม่ดีเอาขึ้นสามไม่ได้ไปทําอะไรไม่ดีเพราะมันกะลกินีจบเพราะไม่ดูเป็นกะลกินีใช่ถูกแต่ถ้าแบบอ้าวอย่างวันพุธอาจารย์ดูวันพุธนะสเต็ สามค่าเหมือนกันเนี่ยก็ไปดูเลขสี่เลขสี่อะดูสี่มันตรงอะไรเจ็ดใช่ไหมจางก็ไปดูเจ็ดโมงยิบสองนาทีจางก็ไปไปหาเงินออกไปหาเงินแต่ถ้าเราไม่อยากไปตอนเช้าเราก็ไปดูอะยามใหญ่อะไรอะมันมีเลขอะไรบ้างหนึ่งสองสี่ห้าหกเจ็ดแปดอันนี้คือจะรู้เฉพาะกลุ่มของสุวรรณคงพันเดียวนะเพราะมันจะหมุนตามยามอยู่แล้วแต่อันนี้เราเรียงมาให้กูถึืกูรู้เรื้องมีเครสอันนี้มันจะเป็นจุดนี้ อก็คือดูหัวยำใหญ่อย่างเดียวอาจารย์ถ้าหมดติววันไหนหัวยำใหญ่ที่หนึ่งของวันพุธใช่ไหมเนี่ยวันพุธยำใหญ่ที่หนึ่งมันตกเลขอะไรวันพุธใช่ไห ม, มก็ไปดูดิวันพุธใช่ไหมหัวยำใหญ่ไปตกเลขนี่สิบสามนาาสามสิบแต่ไอหนึ่งตัวเนี้ยมันเป็นลงเลขลายสองก็ดูเลขสองมันตกลายสิบสี่กาสีผงวิออช่วงนี้ออประมนี้อ่าแค่นี้ง่ายง่อันนี้รู้เฉพาะ พรยามันปรุมที่เราเรียนมามันเรื่องปกติเขียนพม่าเอกไปแล้วเห็นอันนี้ง่ายมากมแต่ใช้เลครับผมแต่้การใช้เนี่ยมันต้องรู้อันนี้คนไม่เรียนไม่รู้เลยครับเพราะมันช่องสุดท้ายนี่รู้ไหมอะไรเนี่ยเที่เยาเขียนไว้เนี่ยคืออะไรอธิบายด้วยอ่าอันนี้สุดท้ายเนี่ยบุดิวันอายุเดชศรีอาจารย์สังเกตอ่าอย่างนี้อ่าอย่างเอาวันนี้เลยนะง่ายๆวันนี้วันเวลาทันเวลานี้เวลาเท่าไหร่วันจันทร์อ่าวันจันทร์ เวลานี้หรือเปล่า14นี่ก็ค้าใ ช, ใช่ไหม14ใช่3 30ใช่ไหมอ่าอาจารย์ดูวันนี้วันจันทร์แรม3คั่ม2ใช่ไหมแต่ก็ น, นี่วัน14มันอยู่เลขอะไรอยู่ในช่วงของยามใหญ่ที่6นะดูเลข6 อ, อย่างเลข6นึงะมันตกเลขอะไร5ยามย่อย6เลยไป5ยามย่อยตกเลขนี้แต่ถามว่าอันนี้มาจากไหนอายุอันนี้ของภูมิวัน กระจายไห ม, มเนี่ยอุ่มวันคือสองเนี่ยคือดาวจันท์เนี่ยเนี่ยไหมถ้าเรานับเนี่ยหนึ่งหกสี่สองอันนี้คือกี่ขํามอันเนี้ยสามข้ามใช่ไหมอ่าหนึ่งหกสามใช่ไหมสองก็เป็นอายุถูกไหมที่ไหนหกอ่าสองเป็นอายุถูกไหมอ่าแล้วต่อไปหัวใหญ่หกหกมันเป็นตกอะไรมันเป็นมูละเนี่ยไหมแล้วก็ไอห้าตัวนี้มัน คือนับไปนั่นแหละแล้วมันตกนี่ก็เป็นบริวารก็นับแค่นี้เองสามบริวารอายุเด็กสองมันเป็นอะไรแค่นะคือสองมันจะตกอะไรเท่านั้นเองตอนแรกสองมันตกอายุสองสองภูมิยามใหญ่มันตกมูละอสองภูมิยามย่อยมันตกบริวารขึ้นอยู่คือตั้งจบเอาแค่สองเอาแค่สองตัวเดียวก็คือดาวจัน์เอาเรื่องอะไรออกแค่นั้นเองง่ายมากไอ้นี้ก็อันนี้ก็ต้องเป็นหนึ่งสองสามบริวารอายุอันนี้จะเป็นอาจารย์จะสังเกตเสมอ ในภูมิสมมติว่าวันจันใช่ไหมตรงนี้มันจะจะดูสองอายุมันจะเป็นมาตรฐานใช่ไหมอายุแล้วเราก็แค่ไปดูยันใหญ่ก็ยันย่อยของภูมิวันภูมิวันมันเป็นอายุอยู่แล้ว 2, 1, 2, สองใช่หมหนึ่งสองสามสองันคืออายุอยู่แล้วของภูมิวันเนี้ยแรมเนี้ยมันเป็นมาตรฐานแต่แค่นี้ก็ไปดูว่าเราจะเอาอะไรเนี่ยถ้าเราเอาสีเอาสีไปใส่ก็ดูเวลา สีปายเจ็ดนี่ไหมช่วงเจ็ดใช่ไหมยํำใหญ่อะไรมันวนจันหกสี่สองสองเจ็ดสายนี่วานอายุถ้าเราจเจ้าสีออกเราไปเจ็ดโมงครึ่งเจ็ดมงคึ้นั้มาสี่ช่วงสี่ก็เป็นตั 7, 8, 6, น้าไหนเจ็ดโม่แปดโมงยี่สหกใช่ไหมมันมีสีด้วยเนี่ยและบริวารด้วยขึ้นดูสิตัง ม, มันสำเร็จแบบได้เงินแล้วยังยืนนานอะไรเงี้ยง่ายๆเลยถ้าเราาเราเลือกได้นี่เราบังคับเอาได้นี่ ง่ายมากมีทังค์เพราะบริวารด้วยเนี่ยเงินทั้งนั้นเราสําเร็จด้วยไวเราตั้งอยู่ได้นานมีเงินสามวันอายุหกสิบสองถ้าเรานับนี่ได้ก็ง่ายเลยมันก็ไม่พลักแล้ววันไหนก็ได้ด้วยที่ํากัญจะดูจะดูทุกวันนีะได้เอ้าถ้ามันเป็นแรนสามขาเหมือนกันเนี่ยทั้งหมดแรนสามข้ามเนี่ยมันไม่ตรงกันอยู่แล้วว่ามันเป็นวันจันทร์อังคารทุ่หลายศุกร์สามันไม่ตรงกันอยู่แล้วแรนสามข้านะ ก็ไปดูว่ามันเป็นยังไงอะไรที่ผมบอกย้ยาใหญ่ย่อมย่อยมันมาตรฐานอยู่แล้วมาตรฐานอยู่แล้วแต่คนไม่เรียนไม่รู้ครับเร็มเดียวแต่ที่แสดงว่าสาวเงินอย่างเดียวเอานี้เรื่องของเงินครับนี่ตัวเดียวและอันอื่นจะเหมือนกจะหมดว่าจะเอาเรื่องอะไรจะไม่พูดเอาดาวพูดไปขอที่ก็ทําตารางเนี่ยเอาโว่าทําเรื่องเงนอย่างเดียวไม่ใช่นะนี่เขาพูดถึงจันนะแต่มันมีทุกดาวไม่มีทุกดาวไม่ถึงดาวหู่าไม่ใช่มีดาวช่ ก็พูดถึงหน้าเดียวคือแปดนั่นแหละหนึ่งถึงแปดนั่นแหละเขาหักนี่นะอ้าอันนี้ต้องรีบถ่ายไว้มันเคล็ดนิดเดียวหรือมันใช้ได้ด้วยไม่ต้องไปนั่งอะไรไม่ต้องใช้แยมองมันเป็นเลสไม่ต้องใช้แยมองโอ้มันต้องในมันต้องไปบโมบกอย่างเดียวนี่เดี๋ยวก่อนตนุมัากกรระเดี๋ยวถามหน่อยสิว่าเอาเอกปกีินอนอยู่เวลาตื่น เอาไปทํายังไงมั่งไอเนี่ยที่อธิบายเขาฟังไหนว่าฟังที่อธิบายเขายัางไงโ อ, อถ้าเกิดเราจะซื้อหุ้นเนี่ยเอาวันที่พุ่มอะเสียตกการันตีนีเราซื้อภู่มอะไรนะจ๊ะเอาเลขอะไรเอาดาวอะไรสมมุติว่าจะเอาดาวสามเนี่ยคือเกี่ยวกับเรื่องอะไรคือเกี่ยวกับเรื่องน้ำมันนะและ้วไงก็เอาก็าหาดูวันนั้นน่ะให้ให้ตกเป็นการันตีนีแล้วเราถึงซื้อซื้อซื้อสามซื้อซื้อน้ํามัน แต่ถ้าเกิดเราจะขายก็ดูวันที่วันนั้นน่ะตกเดชตกสีตกเดชตกสีตกเดชต ก, ต ก, ตกสีคือควรที่จะขายแล้วก็ตอนนี้เราก็ไปดูบังคับเวลาบังคับเวลาให้เป็นเดชเป็นสีทับเข้าไปคือขึ้นสร้างเสาขึ้นเสาเลยให้เป็นเดชเป็นสีเลยเป็นเดชเป็นสีขึ้นดูติดตั้งก<ล><ล>็ได้ขึ้นดูสีตังให้สําเร็จให้มันเป็นสีอย่างเดียวน่ะมันไวดี เดทเดทก็ได้แล้วแต่สีดีกว่าเงินดีก็ขายไงช่วงที่ขายช่วงที่ขายเอาเป็นนั่ก็เหมือนในนี้เอาฟูมวันนะเอาฟูวันนะนี่ที่คุยแล้วนี้จะช่วยได้เยอะนะครับแล้วก็บังคับบังคับเราตั้งเสาน่ะบังคับขึ้นอีกทีหนึ่งมันก็จะเป็นเดททับสีสีทับเดทอะไรตัวไรนี่แล้วแต่เดึงแรงเงินกระทับคือมันจะบังคับลงไปอีกทีแล้วตามที่ที่ทํามาผลมันเป็นไงบ้างถ้าที่ดูมา ายงานวันมันก็ขึ้นนะครับมันก็ใช้ได้ที่ที่จะดูคือว่าทำสถิติดูดูมันก็ใช้ได้แต่เรามันยังดูในกลุ่มรวมยังไม่ได้แยกออกมาแล้วเมื่อเช้านี้ผมลองบอกอย่างนี้ถูกเอลดรอก็เลขอันนั้นอ่ะแล้วเราจะบังคับเลขอันนั้นคือเลขคือสมมุติเราเลขสามเนี่ยเราเราจะให้แคบลงเราให้แคบลงอย่างเวันเนี้ยสามอ่ะเจ็ เจ็ดสี่ขึ้นดูติดตังแปดเจ็ดแล้วถามว่าดีไหมเจ็ดตกเจ็ดตกสหัดชะเจ็ดตกสหัดชะแล้วก็สี่ตกปัตตนีเจ็ดเป็นจำมะมาที่ดินอสังหาริมาทัพขายที่ดินเกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับบ้านคือว่ามีสี่เป็นองค์ประกอบสี่มันขึ้นดูติดตังคือคือสี่เป็นบริวารวันเนี้ยสี่ ไล่ไปได้มาคืมุกต์ก็สี่เป็นบริวารแต่เราไปดูที่ตัดแตุ่๊เจ็ดเป็นสหัชชะสี่เป็นปัจจานิแล้วก็เจ็ดเป็นกรร ม, มะเจ็ดเป็นกรร ม, มะแล้วก็เจ็ดเป็นโพคาสแสวงหาหรเจ็ดเจ็ดจะทํางานแล้วก็เจ็ดเป็นมนุษย์สยามนเวลา mm hmm. เขา ค, คือคือคือถามมานะณักเวลานั้นแหะเจ็ดเป็นมนุษยสยามพอดีคือตกเด็ก ไล่เวลาถ้าเกิดสขาโทรมาล้วก็เช็คดูเราได้ก็ยังยังไม่รายงานครับก็คือบอกไปเขาบอกว่าวันนี้ตัวไหนจะขึ้นอ๋ออันนี้พูดถึงเรื่องอุ้นปกติตัวไหนจะขึ้นนี่ไม่รู้เรื่องหรอกเพราะว่าเรายังไม่ได้เรียนัตว์เกตตอนเรทุกสองตัวอีน่าทีไม่เรียนสามแค่นี้ก่อนเรา็ขามตัวไหนจะขึ้นยาแก้ค้นใจเกี่ยวคับอาสังหารีมาครับนอนยังเดียวแล้วก็ เกี่ยวกับบ้านบ้านที่เป็นเอกสารเด็กกับพวก ม, มันเปสประกอบแล้วทีนี้ผมก็ถ้าจะให้ดูดีๆยอดดู4ีกับเจ็อัานไหนขึ้นแล้วจะ บ, บังคับที่<ห>ยักษ์ <7 S 1> น้เเนี่ยเกี่ยวกับวัสดุก่อสร้างเยนะครับ<ะ> อ, อย่างแสงการโยธาในน้ำ น, น ะ, ะพวกพวกเกี่ยวกับสัเกเจ้าทั้งหมดแล้วผมก็บอกว่าให้ไปดูที่ยักษ์น้ำอีกทีนึ่งบังคับอย่า ง, ง, บ, า ง, บ, าง บ, บ้านสุเทพบ้านสารี<ะ>บ้านยอดลัก ครับอ่าเนี่ยไม่ได้อยู่ในวัดเงนบังครับไม่ได้อยู่ในวัดอะไรครับจะรู้เลยบริษัทไหนชื่ออะไรขึ้นสมมุติตัวเลขสี่เนี่ยมันยักษ์นามมันมีตัวอะไรบ้างน่าใช่ปุ่มนัดขึ้นเลยทันทีต้องมันบอกชื่อนามกุลได้ครับถ้าบริษัทตัวไหนขึ้นแน่เราเราจะรู้เลยสมมุติมามาเป็นร้อยชื่อเนี่ยไม่รู้ชื่ออะไรแต่เราระบุได้เลยเอาออกมาสักสิสองชื่อได้คือว่ายักษ์นามเอาออกที่ยักษ์นามเอาออกตามวัด ยางอันนี้ยังก็ยังไม่รู้เรื่องมันบังคับอะไรทีนึงต้อไปเรียนรุ่นสีด้วยมั้งมั้งนั่งไปผู้สุกช่างใจรุ่นโอ๊ยเมื่อกี้เลยาบอกหาค่ารถได้แล้วอะไรทําไมอ่ะทำไมรถได้แล้วาบอกว่าดีทําไมนะไม่เข้าใจขับรถขับรถตู้อาจารย์น่ะให้ของดีก็ไปเ้าเลยบอกหรือจะหารถให้จุดค่ารถอะไรหีืจะไปส่งแม่สั่งเรียรถอะไรรถตู้ใครไม่ใช่ใครใคร โมาจานนั่นแหละร่มกันหนึ่งที่หกล้านน่นแหละทำไมอ่ะที่มาถวายเพีงวันนี้เนีล่ะเขาเป็นเจ้าภาพเขาเป็นเจ้าภาพรถบอกให้ไปสบายสบายารถดีที่สุดพอได้พาไปแล้วอะไรนพอะไรนี่คือดึนดอ๋อับซับลับรั์กินบทเสียงเออรับซับกินบทเสียงให้ไปก็เลยถวายรถไปถึงแม่สามล็แล้วรอกลับด้วยเฮ้ยเราจะรอกบให้เขากลับมาก่อนเนี่ย วันยี่สผมต้องกลับไงก็บอกให้รอกลับโอ้ยไม่ต้องไม่ได้ยาบอกโทรบอกก็เลยไม่ต้องร อ, อกลับเให้เขาตีเกลียวรกลับมาแล้ววันที่ยี่สิบหาค่อยๆไปรับไม่ใช่ให้เขากลับมาเลยยี่สิกทั้เมยกลับ ม, บมาทำไมชอบให้คนอื่นเขาลำบากวะไม่เขาเป็นเขานั่นเลยไม่ได้ยังไรสักอย่างยังไงก็ถเถอะบอกเขาเอาแค่นั้นแหละเราไม่ชอบไม่ใครไปนั่งรอแล้วเราก็เลือกลับท่านน่ะไม่ใช่ผม <laughs> ใโเอร์เขากลับมาอ๋อยี่บกใช่ไหมแล้วก็ยี่ไหนคืนเดียวแล้วเขามีที่นอนไหมอาจารย์ต้องถามไีนม่มีไม่มีก็ให้ก็มานอนที่ดอยแม่เสลียงตอนที่ไหนอ่ะแม่เสลียงแค่กตีรถมานอนแม่เสลียงแล้วก็วันยี่สกาก็เอาตีรถมันนอนแม่เสลียงแล้วาจะเอาตังไหนเข้าโรงแรมอ่ะเอาทุกเวศชอซ้าเติมมาเ ขับแต่อยู่ผมเนี่ยเป็นคนยังไงก็ไม่รู้คือยิ่งเห็นมันคือเห็นแล้วสงสารน่ะนะนคนเป็นหนีเศษตะต่างเป็นหนี้แค่เศษตะตังเนี่ยแหมเป็นเดือบเป็นแครงอ้จ้างไอ่หี่แสนสองแสนไอ้หนี้ล้านไม่ถึงเนี่ยอุยขอขอ้ยคืคเขาอบอกไงคนเป็นหนี้น้อยเนี่ยนอนสะดุ้งเรือนหวจะตายเขนนาได้หายได้เขาเป็นหนี้กันพันล้านนี่ยเขนอนยิ้มแผดบนฟูกเจจริงๆเนี่ยผมยังงงเลยหัดเป็นหนี้เยอะๆไ้เหรอ <laughs> <C> e <ep le> นี่เนี่ยเป็นน้อยเนี่ยนะท่านจะโดนตัดแขนตัดขาท่านนี่ท่านห้าร้อยล้านไม่นไกล้ามาแตกต้องหรอกมันไอ้เป็นป่วยมันก็ต้องไปรักษาเราออกเงินรักษาให้เรานะตังเดียวแดงเดียวไม่ออกไม่เราไม่ต้องออกเลยนนะ่ะมันกลัวเราตายเอาจริงจริงเอาถ้าไม่กลัศูนย์นี่ละห้า้อยล้านอย่างเงี้ยแต่ถือนี่ห้าร้อยบาทนาี่แม่งตาตายนะปืนไม่กี่ตังศูนย์ยิงป้งเลย <c oughs> ไม่ไล้ยิงด้วยซึ่งฟ้องเราอื้อ <c oughs> เรื่องจริงนะ อย่างเนี้ยเนี่ยเนี้สิบก้านอะไรเนี่ยถ้านมาดูดิเขาก็เล่นหุ้นเงนวันหนึงเนี่ยวันหนึงเนี่ยขี้หมูขี้หมาคนไม <ๆ S 1> ่เขาไม่ได so, ้คุยกันนะว่าได้หุ้นเท่าไหร่นะเขาคุยกันนักเล่นหุ้นเขได้คุยกันว่าเสียเท่าไหร่มาคุยกันว่าการเสียของการเล่นหุ้นถ้าเสียเขาเรียกว่าคนรวยเฮ้ยวันนี้เสียหุ้นไปสามพันล้านเฮ้ยวันนี้เสียหุ้นไปสองรล้านโอ้มันเล่นเป็นหราอเปาหุ้นจริงครับนักเลงหุ้นเนี่ยสำหรับคนรวยเนี่ยเขาคุยกันเรื่องเสีย เพราะว่าคนที่เขานักเล่นหุ้นก็คืออพวกที่ระ ด, ดับไม่ไงดีละ่ะเงินคือเศษสตังค์อ่ะของเงินเขา้าว เ, เ, เป็นหมื่นล้านอย่างเงี้ย<ๆ>เขาทํำยังไงเขาเอาเข้าไปหมื่นเนงินหมื่นนึงเนี่ยเขาฝากธนาคารเนี่ยไม่ได้น่ะธนาคารไม่รับน่ะไม่ใชพูดเล่นน่ะดีแคร์กันที่ผายป่วงเลยใช่ไหมว่าเงินมาจากไหนอะไรอะแต่ผมไม่เสียหมื่นนึงเนี่ยผมเสียไปพันนึงเนี่ยผมก็สบายใจเลยเพราะผมเงินหมื่นผมอยู่เก้าพัน ผมเสียไม่พันหนึ่งมผมสบายแต่ผมไม่ต้องไปนั่งเป็นความเนี่ยนะบางธนาคารเป็นความที่ต้องมานั่งสืบกันว่าตังมาจากไหนเนี่ย เ, ย เ, เสือไม่มาซักพอกจังเลยผมนึกบอกว่าคือว่างไงเนี่ยคุยกับคือคุยคนที่ไม่เคยไม่เคยเล่นไม่เคยรู้จักพนกพวกเนี้ยนะจะไม่เข้าใจหรอกแล้วก็ไปนั่งเลี่ยนลายไอ้พวกโหนี่นิยมเป็นอะไรที่หกร้านโอ้โหง่ายมากเขาสมากินธรรมดาไงตอนนี้ถ้าหกว่าท่านคุยกับคนพวกนั้นเนี่ย เฮ้ยนี่ตอนนี้จะทําวิหารเนี่ยขาดเงิอนอยู่สิบล้านเดี๋ยวโอนเส่ตังค์ไว้หน่อยนะจบนี่นี่ไม่บอกใครเลยนี่คือเรื่องจริงคือต่อว<า>นัล<า>นละ น, นะครับรนะวันละ น, นะครับเขาพูดนิดนึงนี่ไม่ได้พูดเล่นนะคือคือสังคมมันต่างไนงะแล้วเวลาผมพูดเนี่ยเหมือนโอนคนที่เขาอยากจะทําบุญน่ะนะเป็นพันล้านเยอะไปแต่ท่านเข้าไม่ถึงผมบอกเนี่ย ไอ้ที่เข้าไปถึงแค่ความคิดเจตนรณนีละยังคิดแค่สิบล้านยี่สิบล้านโอ้ถ้ามันคิดเหียวความคิดอย่างผมาดูดมดงงดไงคิดไปเลยร้อยล้านนะ่ะพันล้านนะ่ะเทวดานะ่ะเขาอยากให้อยู่แล้วเขาไม่หายเศษนางพวกนี้ไหมเราเองนี่เรื่องจริงหนะ่าแล้วคุณโยมจะเริ่มความรู้สึกละว่าเฮ้ยอะไรวะวันนี้สิบล้านยี่สิบเนี่ยเล็กนะแสดงว่าบริษัทนี้เล็กยังอยู่แค่ประมาณไม่เกินร้อยล้าน นี่อย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวเราจะทั้งกมมันใหญ่ขึ้นไปเรื่อ ย, ยทัานน้าก็เหมือนกันแม่ก็ไม่มาคุยเราครับแล้วในประเทศไทยมีใครรู้ได้เราคิดอย่างนี้มะแล้วเสร็จแล้วเราก็ไปช่วยซ่อมหัวใจให้ครับอืออ่าซ่อมหัวใจเราคิดมากหน่อยนั่งคุยเนี่ยคิดเป็นนาทีผมละทีละร้อยเหรียญน่ะนีอยู่ที่นูนะ่นนาทีละร้อยห้าสิเหรียญร้อยเหรียญนี่กันเองนะถ้เรื่องปกติผมก็ไม่ได้ว่าไม่จ่ายก็ไม่ว่าที่หน้ามีมาแล้วกัน มีเวลาให้ทุกคนสิบห้าทีจบแม่คุมันนั่งตูดแช ะ, ะั้งสีนชั่วโมงเว้ยไอ้ <S <S ี่เวลาล่ะครับขอโทษโยมไอ้ที่รวยกับโยมก็มีนะก็นั่งห้าทีก็ไปแล้วโยมไหนท้องครับเรื่องจริ ง, รรงอีกวันวันไปข้างหน้าท่านจะรู้เองไม่ได้ยิงแม้พุทธองค์ทำไมไมันอยู่ในปากท่านก็ต้องข่าวสาวอเพราะคนพวกเนี้ย เพราะมีบุญบา ร, รมีเขาถึงมีขนาดนั้นได้มันบุญมันจะแนกไปเราเอาหัวหน้าใหญ่ไอ้ลูกน้องมันมาเองครับอาจารย์ไอไปเอาไอคนนั่นน่ะมันไม่มีอะไรมันจะมานั่งบนเราก็ได้สองสามธรรมดาเดีย๋ยวจะเอาคนใหญ่ๆซะเลยคนเดียวเนี่ยมาเป็นร้อยไอนี้เราเคยจะเข้าไปถึงไออันดับต่ำสุดเนี่ยอันดับสิบล้านยี่ิบล้านมูลบอกแต่ก่อนลําบากไอกคนพันล้านเนี่ยมันเอาไอคนสิบล้านยี่สิบล้านมาเป็นร้อยน่ะ ไล่นคนข้างบนมันทําร้อยล้านไอ้ข้างล่างเนี่ยนอกระล้านนึงแล้วเด็กๆนี่ไม่นั่งถึงซองให้เสียสตังค์จะแจกซองออกไปแม่ค่าซองนี้ไม่พอเลยลเผลอๆซองหายต่างหานี่กรรมการหาว่าเราโอมไม่เอาซองจริงๆมันไม่คืนซองมาให้เราจริงไม่น่าจามาจริงว่าแม่ซองใส่ไม่ได้ห้าสิบาทไอ้หาค่าซองกับกระดาษก็เ ข, ข้าไปสามสิบละมันเข้ามันบริจากยี่สิบบาทกุ้มบาอะไรแล้วผ้าก็เสียหน้าโดยอะไรเจอหน้าแ จ, ก, าจกแต่ซองแต่หารู้ไม่ไม่ต้องแจกซองแล้วแจกไอ้เบอร์ ธนาคารนี่แหละทำวันไหนนึกได้ก็ทําบุญนะโอนเข้าธนาคารจบ ท, ท, ที่เขาเรียกว่าเลี่ยนรายช่วงนี้รันไง น, นานๆที่เฮ้ยไอเบอร์ไอนี้ไม่ขึ้นเลยด้วยอ้าคุณยศเป็นไงสบายดีเหรอเออนี่เห็นในข่าวว่าตอนนี้เอกิจการดีไม่ใช่เหรอเออแต่แปกลกเนาะคนรวยนี่ไม่เคยทาบุญเลยนะกูว่าอยากกระจนละมังนี่หนงงเหรือไงแต่มืงมีมาันาก็กู พุก็ตอ้คุณพ่พอเรื่แล้วงานเขาไม่ได้แช่ง่ะเขาอยากกะโดมเมื่เก่าวหม่ล่ ะ, ละก็ไม่ได้ว่าเนอเออว่างๆไปตอกมาก็ได้หรอกนะไป้อนั้าอ้าวโหโ ห, โ ห, โ ห, โหนี่นะนกมีแค่นึกนะใครสิดทุบบ้างว้าหกล้านเหรอนีกล้านเหรอเพราะฉะนั้นเนี่ยจำมันนะท่านไอ้ความคิดแต่จะหนีความคิดคือไอ้อ อันนี้กล้าพูดเลยว่าการที่เราเป็นแอดไวต์ตลาดหุ้นเนี่ยแอดไวต์คนที่เล่นหุ้นเนี่ยท่านไม่ต้องไปบอกบุญใครอีกแล้วในชีวิตท่านมีคนเล่นหุ้นเนี่ยนะคนที่ไปอยู่ในตลาดหุ้นเนี่ยประมาณนักสิบคนเนี่ยท่านก็จะมีเงินอยู่ในกระเป๋าว่ามาเจ็ดพันวาร์ลัมาตรฐานอยู่แล้วที่จะทําอะไรก็ได้สำหรับการศ า, ศาสนาเนี่ยอันนี้มาตรฐานนะอาจารย์คนรอบวัดนั่งมีไว้เหมือนรู้ว่า น, นี่หน่อย ประดับคือเราไม่ลืมว่าไฟใกล้น้ำใกล้อ่าน้ำไกลดับไฟไม่ทันเราก็แค่มาแบกหามาคนนี้เป็นมาหรอกเขจะมีแต่คนรอบวัดนั่นแหละมาช่วยใช่ไหมแต่คนไใจน่ะเป็นปัจจัยหลักไอ้คนใกล้น่ะเป็นแรงงานเไปเท่านั้นเองต้องรู้รเพราะว่าอาจารย์ือเลือกโปรดเลยไม่ใช่อยู่ดีโปรดอยากจะโปรดไหนก็ไปไม่ใช่ต้องเลือกดูใช่ไหมอาจารย์มาจริงไหมว่านั้นเราต้องเลือกครับเลือกคน เอาแคจะขึ้นเขาจะให้ใจแต่ไปยอดเขาใมันทุสูงสูงมากเกิดไปก็ไม่ได้หายใจไม่ออกเพราะมันสลุกอากาศแล้วก็เจาะคนาอย่างเงี้ยก็ต้องรู้ระดับความสูงแค่ไหนอากาศบริสุทธ์แค่ไหนนั่นแหละหมายถึงว่าขึ้นไปที่สูงเราไม่ต้องตัวสูงแต่ไอ้ที่ัวหนุนเราต่างหากที่สูงก็คือรู้จักคบคนเฉยๆนานนั่นนหละเราก็ดูไม่ใช่เราหญิงว่าไม่ดูคนจวนไม่ใช่เราควายไปรวยก่อนผมยังอย่างเงี้ยครับไม่ต้องมาทําบุญเราเก็บไปเลยในตะสาว รวยเมื่อไหร่แล้วกลับมาทําบุญให้ตังค์ไปกด้วยเงินก้นถุงเอาไว้ตั้งตัวรวยแล้วมาทําบุญสัปดาห์คนเราเราบิจกาทุกคนหละเพราะฉะนั่งคือคุณโยมให้ตลาดหุ้นเนี่ยแล้วคุณโยมจะเปลี่ยนเลยไอคย้คนเล่นหวยเหมือนกันคนเล่นหวยแค่ไหนล้ำฟังอย่างดีไม่มีใครได้ถึงแสนน้อยมาก <c oughs> เป็นที่ลําลือทั้งจังหวัดเลยแค่ <c oughs> แสนเนี่ยนะ่ะสิบห้าวันมึงเสียแสนหนึ่งเนี่ยโนะคกกระจอกมากซื้อหุ้นยังไม่ได้เลย คุณน่าจะจะคิดว่ามันรวยไ อ, อย้ยางนี้ไม่ใช่รวยในยขนาดระดับขอทานไอ้คนขับรถเนี่ยไอ้บริษัทเนี่ยย้ายเงินมากกว่าคุณนีจริงนี่ผมไม่ได้มาคุยโอนะแล้วท่านลองไปคบกับนักเลงเขาเรียกนักเลงหุ้นน่ะนะดูจะเป็นยังไงแล้วเราคุยเนี่ยมันก็จะต่างต่า ง, งคนธรรมดาทั่วไปเราคุยเออเอะไรวะมันไม่คุยแล้วไอ้คาว่าล้านนี่มันเหมือนกับเราโทรศัพท์ค้างหนึงหยอาตู้หมดไปอะ่ะอย่างนั้นจริงๆ เพราะว่าคุณเสียค่าคอมมิชชั่นเนีนะบลกเกอร์เนี่ยฟอนเอ็นนะฟอนเอ็นเนี่ยพอเสียเท่าไหร่คุณขายคุณก็เสียซื้อคุณก็เสียเช่นเียขึ้นทั้งล่องอะ่ะคือมันรู้ต้องเสียอยู่แล้วไมปตรงไหนมันได้ปะ่ะเพราะฉะนั้นมผมบอกไะคนเล่นหุ้นนะ่ยมันพูดแต่คำว่าเสียเงินมันไม่ได้พูดว่าได้เพราะนั้นถ้าอีกอีกไปอีกสเต็ปนะครับสเต็ปนะี้ต้องทำใจให้เป็นป่ะ ตอนนี่จะไปคุยถึงเรื่องพูดเนี่ยคุณต้องทําใจเลยทาใจที่จพูดใหญ่รับใจใหญ่จะ น, น้านน่ะต้องเล่นกลา้ามจริงถ้าคุณไม่เล่นกล้ามคุณจะยกกระสอบไม่ได้ก็เหมือนการคุณต้องฝึกใจให้ใหญ่ก่อนผ ม, มเห็นพระหลวงทงลวงตาอะไรพระวันนี้ว่าพระมันนอกอะไรแล้วนะวยธีเงินแค่ห้าหกพันนะโอ้โหท่าจะกราบโยมพระจิตต้องรักษบหลวงพ่อ จะไปขอแมงเลยไม่ตกนรกบอกไมไปได้ห่าพวกเนี้ยคุย ม, มาทําไมที่ไปให้เงิน้อยทีมให้ซื้อบ้านให้แล้วที่จะมาทําบุญเอาสวรรค์แม่งเอาเศษสตังไงพระเอาคืนไปเลยนะ เ, เก็บไปไปซื้อตั๋วลงนรกไปนะไม่ต้องมาแล้วก็ไม่รับด้วยนะถ้าไม่รับทําบุญไม่ได้บุญท่าพระก็ต้องเลือกรับนายโยมมันจะโจนต้นใครมาแล้วโยมฉันจะไปรับเก็บไปเถอะเอินบาทที่ไม่รับนายโยมเลยบอกครับพวกเลยไปทำไมตาปวดก็ทําไมรึเปล่ะ พอป่าแม่มาเลยครับสองแสรลงคาไว้แก่เสร็จกันบอกก็ไม่ต้องมาทีหลังมาไม่ชิ้นล้างไม่ต้องมาก็รู้อยู่แนละ้บวบ่อน้ำเนี่ยมาสามสิบล้านแล้วคุณมาแค่แสนมันทำอะไรเอาซื้อคุณอีกไส้ไงจริงๆครับอั่นก็มาสิบล้านจริงจริ ง, ร ง, รงเราไม่ได้ดูถูกแต่มันให้คนเนี่ยเกิดมานะ่ะไม่มายิ่งดีก็ ม, มาแล้วเสียเวลาใช่ไหม เ น, น, นเวลาดูไปนี่ยจะรู้เองครับวันนึ่งก็จะรู้เองเพราะว่าอันนี้เนี่ยเป็นคําชื่อเต็มก็นะคำพีมหาจักรพัฒดิฉราชนะไม่ใช่ของขอทานไม่ใช่ของชาว บ, บ้านธรรมดาเพราะฉะนั้นเมื่อฉันรู้ตําราเนี่ยขั้นต้นเลยท่านต้องมีความสุขสบายเรื่องขาดไม่มีสองสัจจะเราต้องมีเพราะว่ากษัตริย์ตัดแล้วไม่คืนคําใช่ไหมนี่แหละกษัตริย์จึงตัดแล้วคืนทําไม่ได้ไงพูดแล้วต้องขาดไปเลยเพราะนั้นเราระวังเนี่ยอย่างเนี้ย เพรนั้นเนี่ยอย่างุยมเนี่ยเดี๋ยวเปลี่ยนละจะเริ่มเปลี่ยนแล้วเนี่ยเรามันรู้อยู่แล้วเนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์เพราะมันรู้มันต้องจ่ายอยู่แล้วไอว้ผู้เล่นหุ้นน่ะบัตฟอนเอ็นต้องจ่ายอยู่แล้วเราปรึกษาก็ไม่ได้ศึกษาสี่นะมันต้องรู้ไอ้ที่มันเสียค่าหุ้นทีนึงครับมือเทาไหร่เออมันต้องเสียแล้วเท่าไหร่สามอร์เซนห้าเซนน่ะและ้วคุณมาเอาฉันเพื่อพี่ไป ไ, ปได้คือท่านลองดูก่อนเดี๋ยว เกิดได้แล้วจะจ่ายแล้วมึงเวลานีมึงไปตลาดพุ้นเนี่ยเขาซื้อให้มึงมึงบอกเอยนี่นะนี่บอกก็เดชผมจะเอาคู่ น, นั้นเนี่ยนะลองดู ก, ก่อนนะแล้วหาวก็ได้จะจ่ายได้ไหมล่ะแล้วทำไมคุณมาได้ครับผมล่ะช่วยตอบหน่อยหรือคุณต้องไปจดทะเบียนการพาณนชิ์เป็นพีุ่ตรเห็นี <c oughs> น่มยังรูตรงสเตรทกล้าว่ารเ <c oughs> ่ากล้าพูดหรือ้วมันจริงหรือ่าอแล้วไอพี ซื้อบลกเกอร์ไงไอ้บกเกอร์แนะนำมาจริงหรืเป่าเสียมาเปล่าปล่าเสียอะไม่หวาเหรอบล็อกเกอร์เสายอ่ะถามคือเราไม่มีตรงไหนที่ซิกแซกหรือเขาว่าตัวเราเราก็ถามใร้ตรงๆเนี้ยอ่ะใช่ไม่ใช่ใช่หร้วล่าเหรอไม่เนกลางอะไรกันหรอะแล้วเวลาคุณซื้อไปเสียแล้วบลกเกอร์จ่ายแทนกูหรือเปล่าไปปรับเขาป่าเปล่าครับอ่ะแล้วมึงจะมว่าอะไรกูอ่ะ เอาไปชนะมาครับในหน้าครับเอเจนซีตอนนี้ไอ้พวกนั้นอ่ะยังไม่มีปัญญาได้ยอย่างเราเอาแค่เนี่ยคิดแต่แค่ท่านรักเนี่ยท่านรักคิดต่ลางออกมาเนี่ยมันยังไม่มีปัญญาเนี่ยแล้วเสือไปเรามันทําเป็นเรียนโลโหเศรษฐศาสตร์เราประสาททุกอน่างแหละแต่เราไม่ได้เรียนดีศาสตร์ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ครับถ้าท่านเรียนไปแล้วเนี่ยต่อไปข้างหน้าเนี่ยมันถามว่าทําไมจะมาทํา แล้วมันจะเป็นยังไงที่จะป้องการพระศาสนาไม่ได้มันยิ่งกว่าด้วยซ้คำเพราะปัจจุบับนเนะี่ยพระช้วยคนไม่ได้ช่วยนักธุรกิจก็ไม่ได้กลายเป็นสวนเกินสั้งปมถูกเบียดย่ำมันเบียด<ค>้าศาสนาคิดตรงนี้หรครับของเราไม่แพ้หรอกครับแม้กระทั่งไอ้บาทหลวงที่ปลอมตัวมาเรียน่ะอืเพราะศาสนามันในห้ามนะ่ะห้ามเรียนโหรษาศาสตร์นะจำไว้นี่คือจุดอ่อนของมันมันจึงพยายามยัดเยียดเข้าไปในกฎต่างๆของมหาเทวสมาคมไม่ให้พระเนี่ย ดูหมอพนน้ำหมาขากทั้ำมดเพราะพระเจ้ามันบัญชาอย่างเดียวไงนี่แหละคือจุดบอดของเราเราก็ไปเล ย, ยพูดเขาว่าพระเจ้านะให้ค่นน้ำหมาคากน้ำมนเลยไปดูดิอา้าพระอรหันนะ่ะพระองคุลิมาเนศเสกน้งมนนะต์้ระยะโตหางพิจิตอ้าให้กินคลอดลูกง่ายเสร็จแล้วพระอนน์ก็ไปพระพุทธเจ้าจะสอนบ้านบนไปทนำน้ํามนนี่อ้าแล้วตรงไหนแล้วมือลูกสิกยขายลูกสิก ถ้าุคปไอ้พระเยซูยุคปิดบาทหลวงมึงก็ย้ายาศาสนาไปซะเลยสิเพราะนั้นผมไม่สนหรอกผมไม่กลัวด้วยไอ้คนพูดไม่ว่าจะยดึดคั้นขนาดไหนผมไม่ฟังถ้ามึงใหญ่กับผู้เจ้ามึงตั้งาศาสนาใหม่ไปเลยจริงนะครับผมไม่เกรงใจว่าว่าไปทั้งนั้นที่ดูถูกว่าพุทธเจ้าว่าผมเป็นอากูบาจารย์ของผมอ่ะเป็นพระบรมครูแล้วมึงไป็นใครแม่จริงมึ่านเปลี่ยนาศาสนาใหม่ใส่ชุดตําซะเลยไปใช่ปะเป็นบาทหลวงไปซะเลย มาอ้าอยางีงได้ไงดีไม่ฉะว่าจะ ต, ต้นกับบุญแล้วที่ยอมให้นะไม่อยากให้คนเขาด่าพราะผู้เป็ศัตรนูนามากกว่านี้เพราะฉะนั้นเนี่ยโยมไอ้อย่างพุด อ, อย่างอะไรเนี่ยนะเราสร้างได้เลยคนนะสั้างดีสตางแล้วเนะี่ยอเรื่องบุญกุศลนะมีสองอย่างทํามากขึ้นจะลืมไปเลยกลัวเขาู้วนวยมาได้งไงจริงครับพวกนี้มีครับแต่ไม่เป็นไรนก็ฝากตู้สิฝากพยายมนเรื่องจริงนี่ทา่านังเรียนแค่เรียกเทวดานะ ยังมีอีกปากพูดเรียกพยายมอ่ะห้างสรรพสินค้าที่วัดดังๆน่ะเจ๊งไม่มีคนเข้าไปเลยมีเจ๊งมาแล้วเจ๊งเลยนะ่ะไม่มีคนเข้าเลยแล้วจะไม่มีคนเข้าเลยปักไม้เขาแก้แล้วปักใหม่เป็นเกล้าไหมเป็นด้านเป็นกล้าแต่ก่อนหนะมาไมหาอย่าไม่เข้าเลยใช่สมยัยโบราณต้องมีมา แล้วก็ทําได้เป็นไรไปแล้วต้องสั่งสอนเหมือนกับว่าโคมทิฏฐิพุทธองค์บอกให้อะให้แสดงฤทธิ์เพื่อโคมมิชฌาทิฏฐิใช่ไหมครับฮะฉันไม่ได้ห้ามนะ่ะไอ้คนที่ห้ามมานะมันหักมันทําไม่ได้มันจิงเอาตำราเป็นใหญ่เอากระดาษเขาว่าไปนั่งฟังเขาด่าพระเจ้กาก็ด่าไปเดียวผมมาบอกมหาไัยบอกคุณไปนั่งฟังพระเจ้าเนะี่ยเขาดา่าพระเจ้กาก็ด่าไปเดียวผมไม่ได้อยาผมให้คนไปอัดเทป ที่ธรรมศาสตร์ในช่วโรงเรียนผมอยากจะรู้เดือนหนึงครับวิทยาพุทธศาสตร์เนี่ยด่าพุทธเจ้าทั้งเซ็ดเลยโยงธรรมดาเนี่ยไปครูเนี่ยด่าพุทธเจ้าอย่างเดียวจริงๆเปลี่ยนความคิดหมดเขาให้ข้อกิ น, นเองจริงจริงครับเอาไปเที่ยวบัตรคานมาซอบฝอยอะไรไม่รู้มั น, ม, นมูหุ้นไปหมดแล้วพระก็ไม่รู้ก็ต้องทําวิทยาทลิคนตามนั้นแม่คุณก็ตก แล้วมันก็อ้างว่าคนที่เขียนไปมาพระมหาองค์นี้ปา ร, รีน 9, รเก้าปารีนแปดเขีย น, นเขียนจริงแล้มนานนวันนี้ครับไปทิ้งเผยแผ่ถ้าคุณไม่ทํางก็ไม่ได้ไปเทียบยกับเห็นจอะไรเงี้ยไปเทียบกับการมากเงี้ยเทียบได้ยังไงความเห็นแยงของอ่าขงจื้อกับพุทธเจ้าอย่างเงี้ยแล้วบางทีไอ้สไตลมันเก่งรู้เจ้ากว่อีกนี่ไ อ, ไอ้ยายมิชนาลีผู้หญิงนะ ไปชีอ่ะมาทํางหนังสือออกมาไงอ่อาไอ้จะตายคิดพระเจ้ารู้อ่ะนั่นนะไอ้นั่นนะมันเป็นในไปชีฝ ร, รั่งไงแล้วมาเขียนหนังสือขายตอนนี้โอ้โหปั้มมันใหญ่เลยแล้วผลเป็นไงรู้ไหมรู้ไหมคนทังกายคนก็สมที่ขึ้นมาบุญ อ, อ๋อฮะปั้มมันใหญ่แเราก็อ้าวเลอย่างนี้ดีกว่าก็ไม่เป็นไรลูกพี่มึงงี้ใช่ไหมก็ไม่เป็นไรก็ทุกวันนี้สมที่เป็นไงล่ะ กำไรใครก่อกำไรก็รับไปสิจยากดังๆก็ดับไปเลยตอนที่ริมหาขุนยวิล่ะคืนสารคืนจิตคุณจะห้องด้วยหายอย่างนั้นน่ะนั่นเนี่ยเนี่เเรื่องสังเเราไม่รู้ทางแล้วคุณอ่านก็ไม่รู้ก็รับไปอย่าง น, นั้นเุ้นอยๆพระก็ถูถกกดกลับไปเรื่อยๆเพราะนั่นในที่เราเรียนเนี่ยครับป้องกันพระศาสนาได้ยังไม่พอช่วยเหลือได้ทุกสภาวะตั้งแต่วัตรจำาลขายของข้างถนนไปจนถึงระดับประเทศระดับโลกเพราะมันก็ไม่ได้ผิดอะไรแก่ หน้าที่ของธุรกิจคือกำไรขาดทุนบัจเจตเนี่ยบาลานซิ่งเนี่ยใช่ไหมเออเกณฑ์เ uh, นีูสนีเท่านั้นไม่มีอะไรอีบเลสิฟเวนไม่มีไม่ไปธุรกิจกทำไมทำธุรกิจกเพื่อเสมอตัวไม่มีในโลก right เออเพราเท่านั้นเองมึงจะขายไอ้ขับเกงหรือว่าไ้เมหรือว่าไอ้นไอ้เนี่ยไอ้น้ำ น, น, น, น, น้าปัน่นกันเจ็บใจเนี่ย <c oughs> กินและแก้เจ็บใจไงช้ําใจเนี่ยก็แค่กําไรใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราไปคิดเองว่าสิ่งนั้นมันใหญ่สิ่งนี้มันเล็กเราสมมุติเอาตังหงเงินก็ไม่มีใครจบราบแล้วหมื่นล้านแสนล้านไอ้หุนนะ้นอ่ะก็จับไปตัวเลขก็เป็นสมมติเพราะฉะนั้นทําไมอ่ะเราจะสมมุติไอ้เลขนั้นกับเลขร้อยมันก็ไม่มีอะไรผิดกันที่เ น, น, นี่ลอเรือกับลอลิงนั้นมาต่างกันแต่สิ่งที่ได้ต่างหากที่ผิดกันคือจำนวนเรือ right นะ ก็เน่นอย่าขี้เหนียวความคิดในสิ่งที่ดีแต่จงขี้จันมีในความเร็วสิบห้าครับดเขาบอกว่าครับอย่าคิดเหนียวความคิดในด้านที่ดีแต่จงกันมีในความคิดที่เร็วอย่าอย่าไปคิดมันเลยดีที่สุดย้ป่ะเพราะว่าสมองในการทํางานสมองหรือเราเรียกว่า Rainwave เนี่ยมันทำงานกระตุ้นนะน่าจารย์ร่างกายของเราจะทำงานด้วยประจุไฟฟ้าแล้วก็ทับมันก็เรียกว่าจินตภาพหรืออิมเมจินอิมเมจินก็จะกลายเป็น Emotion แล้วก็กลายมาเป็น Action ไอตัวนี้แหละคือ Foundation ที่เป็นพื้นฐานในการตัดสินใจเราเรียกว่าพฤติกรรมศาสตร์หรือแอค i ิวิตี้ไลฟ์น้องวัยนี้ right <laughs> <laughs> ใช่ไหม ไว้แล้ว้สุดทิงเรานี้ทั้งหางที่เราเรียกว่ามนโนบุพพังก็มาทำมามนโนเศรษฐามนโนมายานี่แหละมันมาจากเมจินเป็นกรมร่าง a ตัวกับ f ส่ว a ตก f ส่วน ie เพราะว่ามันมันมีคําพูดที่ติดปากเราถ้าคิดมีจัยให้ใตั้งใจมาตอบก็รักษาว่าใครในคนคิดสูงไม่ขึ้นมาเราไม่สนใจว่าเขาจะพูดอะไรแต่เราสนใจว่าอะไรที่เขาพูด ไม่สนใจแล้วครับไม่ต้องไปนั่งฟังไม่ได้มาพูดอะไรแต่อะไรมาให้พูดคงนั้นวอตบอลฟอว์วอตวอตเกมส์วอตเดเเกมส์ฟอว์เขาแลกันเขาได้อาหารทำไมที่พูดแล้วพูดในจังหวัดไหนนั่นเองครับแล้วก็จะปิเคราะห์ได้เราาาหงกนอยไ ม, ไม่ไม่มีคว่าชาครับโดนเซอีดอย่าไปเลยนะครับห้ามนะครับ ห้ามใ อ, อ, อมันจะคําว่า ignore and fail I represent ignore เมื่อเรา ignore เราอะไร fail ใช่ไหมครับว่าอีภาษาไทยเลยว่าท่าท่ามันว่าให้จอดเรือไม่ได้ทําออกเสีย ง, งเําือนเดิเหมือนกันแต่เปลี่ยนกันในตัวอักษรที่เขียนใช้ว่าท่าใช้คําว่า when เมื่อเมื่อผมทำอันนี้แล้วเมื่อผมทาอันนั้นไม่ต้องใช้คําว่าพยายามพพยายามไม่มีในภาษาไทยเป็นภาษาเป็นภาษาแกรมม มีแต่คำว่าวิริยะเขียนทำก็ไม่ทำทำดีกับทำชั่วปริพุทธศาสนาไม่มีคำว่าพยาพยามทำดีพยายามทำชั่วไม่มีพูดกันเองให้ไพเราะดูดีภาษาไทายเป็นภาษาโดดเป็นคำโดดคำเดียวไม่มีส้อยว่าทุกวันบบนี้นนนสถานศึกษาได้เงินจากพวกคิดมามาห้องสมุดเครอหนังสือคิดแต่ทางนั้นแม้กรั่งประหลัดตำราแล้วพระเรามีอะไรไปสู้เขาละ ต่อพิหารอย่าเพิ่มไปคิดว่ามันจะเป็นในสมัยนี้มันมีสมัยพุทธเจ้านะครับเรื่องอิสริกปฏิหารก็เหาะเลยเนาะอากาศได้พุทธเจ้าก็เหาะได้มันก็เหาะได้เก่งกว่าด้วยซ้ำโยคีอ่ะพุทธเจ้าไม่เคยมีปรากฏที่ลงไปฝังดินมันฝังดินน่ะเอาเอากระมานทุกวันนี้มันฝังกันอยู่เลยอ่ะแล้วตอนนี้ในเมื่อเขามีปฏิหารอย่างนั้นน่ะแล้วเราไม่มีตายนะ่ะตอนนี้มันมีเงินไม่สน แต่กูสามารถทำเงินให้มีอ่ะมันมีเงินแต่มันต้องหมดแต่เราทําให้เงินมีคือปลูกก็งเงินเออหนักกว่าไหมเราครับมันมีเงินแต่ต้องหมดแต่เราทําให้เงินมีอ่ะอันไหนดีกว่ากันเราอทําอะไรก็ได้ให้มันเป็นเงินอ่ะจับอะไรก็เป็นเงินหมดไอ้มึงต้องรอสิ่งนั้นไปมันถึงมันรอเรานะ่ะ ต้องได้สิ่งนั้นไปทําแม่ไปซื้อแมทเทเรียมาเพื่อทําให้เป็นเงินผมไม่ได้ทางานเพื่อเงินแต่าให้เงินทํางานในผมนั่นแหละผมควบคนมีเงินให้เงินเพื่อให้เงินไปทํางานผมไม่ใช่คนงานที่จะทํางานเพื่อเงิ น, นดดปลาไปเรื่อยปกติเพราะนั้นเราไม่ใช่ปลาที่ไปสวดเงินไม่ยอ่าซอง แต่ถ้าไม่ใส่ซองมาพระก็ไม่สวยพระมันเป็นประเพณีโยมท่จริ่จริงอาจจะอาจมาก็รักษานะคือโยมพระน่ะอยู่ได้เหตุและปัจจัยเพรสมัยเนี้ปัจจัยมันมากนามันมีปัจจัยภายนอกกับปัจจัยภายในศาสนาภายในนี่เราไม่ต้องพูดถึงนะนายโยมนั้นมันเรื่องของศาสนาเราก็ถึงสังคมพระก็ต้องเป็นหนึ่งอันเดียวกับสังคมต้องเข้ากับสังคมได้เพราะในการพัฒนาสังคมจิตมนุษย์เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกว่า กระสุงเขาจะมีกระสุนพัฒนามนุษย์พแต่ก่อนคนไทยไม่ใช่มนุษย์ถ้เป็นสัตว์ขึ้นคนขึ้นสัตว์เลยต้องพัฒนาให้เป็นมนุษย์นะก็มิก็ขาท่นคิดดูดิแต่ก่อนเนี่ยคนไทยเป็นสัตว์หรือไงมันนี่ต้องสางกระสุงพัฒนามนุษย์เนี่ยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์อ่ะเราไม่ดูดิแต่แต่าาก่อนเนี่ยแสดงว่าเป็นมนุษย์ไม่สมบูรณ์ใช่ไหมเป็นมนุษย์ขึ้นคนขึ้นสัตว์เลยต้พัฒนาให้คล้ายกระโยนไงใช่ไหมท่านอาจารย์ว่าพัฒนาให้เหมือ น, นโยนเป็นแหละใช่ไหมคนนีง่ง เป็นันเข้าก็ไม่ได้คุยก็ไม่รู้เรื่องอะไรก็จะล่าลูกเดียวอาารยนอาจารย์ล่าก็อย่ารับสิใ ไ, ไอ้พุโทโธน่ะรับเร็วสักเล็บไป ว, ว่าคนอื่นนะไอ้ไอพุโทโธเนี่ย <c oughs> เอ้าหมายถึงว่าถ้าไอ้ดังขากนาพุโทโธพุโทโธเนี่ยลองดิสวจมิวนไปตวดบมก็ไปเราไม่ให้สอนมันนี่จะพุโทโธไหวไม้มเอาองลูก <c oughs> เอา้าว่าคุณคุณนิพานแล้วคุณไม่รับนะคือเราพูดเรื่องจริงแล้วคุยแล้วเรื่องจริง แต่เป็นความจริงที่ฝังลึกนะเขาฟังไปเนี่ยมันจะแตกต่างใช่มันจะแตกต่างกับพระอื่นถ้าเราเหมือนพระอื่นๆื่นเราก็ไม่ผิดอะไรกับดินที่เน่าแล้วใกล้จะเป็นเปลนโคลนตมงดินได้ก่อนมันก็ดีไต่ลงลึกลงไปกลายเป็นโคลนตรงเราจะเป็นอย่างนั้นหรือเพราะฉะนั้นเวลาแดดร้อนๆต้องเอาหัวเอาสมองไปจาแดดนะครับไม่งั้นลาไม้นลากินสมองนี่ยมันจะทําให้ส่วนมันบางส่วนมันง้อไป เพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องจริงเลยเราจะได้ช่วยโยมได้ถ้าไม่เรียนวิชานี้ถามว่าจะมีวิชาอะไรไปเรียนให้เขาเรียนนะท mm hmm. ่านไปดูคนน่ะทุกวันเนี่ย mm hmm. เราไปเชื่อกระดาษตัวเลขอะไรกันอย่างเงี้ยโดยไม่ได้รู้เลยว่าที่มาของมันน่ะมาจากไหนเราสร้างให้คนมีพ mm hmm. อสร้างให้คนมีสค่ร้อยคนเท่านั้นนะครันจากท่าไหร่ แต่้าเราไปเก็บเศษครับให้เขาทําจนมีแล้วเราไปขอเศษมันไม่ได้ขอทานพระสงฆ์เขาทามาแล้วเราก็ทําได้เป็นไรไปแล้วของพันอย่างนี้เด็กๆนี่ถือว่าเด็กๆเลยนะเพราะมันอยู่ในช่วงสมมุติสมมุติขั้นต้นๆสิเด็กๆใช่นะครับเรื่องสมมุติแต่ยังไม่รู้จักใช้สมมุติได้ ยังไงชาตินี้ยังไม่พนสมมุติครับคนไหนคนสมมุติก็พิพานเป็นพระอรหันต์เลย <c oughs> อันนี้เราพูดกตต็ตรง g ไปตรงมาเลยผู้กระจงคุณไม่ต้องไปเกงใจไอ้กูจะต้อนั่งตกแต่งคบพูดในไพ่เลาะเราไม่ใช่นักต่อแหลเราไม่ได้ไปเรียนต่อแหล่ศาสตร์ที่ไหนมาเราใช่ไหมครับไอ้อย่างนั้นมันน่าเกลียดอย่ากคิดประโยชน์เขาไม่รู้นะ่ะยิ่งเราพูดเพราะเพราะเท่าไหร่เนี่ยการสงสัยจะเกิดให้หากูว่าค้ายาวันนี้กูได้เงินมา5ล้านกูไปโทรฟ้าโทรมพื่อว่ารวย5้ล้านกูพาเอาพูด้อเนี่ยสิทั้งเกต ผมมิโยมาผมก็รู้ตอนนี้พระเนี่ยไม่รู้หรอกพราะพระบวชแตเนรเขาก็สอนกันอย่างนี้นมาตลอดต้องสอนให้พระใหม่สอนใหม่เลยพระอาจารย์ฝากด้วยนะครับว่าสอนให้พูดจริงครับเพราะคาไพ่ล้อไม่ใช่อมันมีความจริงนะผมต้องขอความนานนะยังกัดชวเลขก่ยนะอยู่ดีๆครับพระเดชพระคุณความอะไรหนะ้าดีกว่า ฝ่าบาทอะไรก็ไม่รู้เขาแตกทีก็เรียกก็ไอ้ลูกจ้าวนามาบวชนั่นละว่าแล้วก็ถือกันด้วยสีน้ามันตาเนาะษาจะต้องฝ่าบาทอยู่ดีๆการเป็นฝ่าตีโอ้ยให้เขาด่าเพื่อไม่เอาใจแ่ทีก็ใต่เท้าเออนั่นน่ะน่ะโอ้โหเห็นไหมยอยู่ดีๆให้เขาด่าฝ่านี่ออใต้เท้านั่นคือหลไรฝ่าตีนเนี่เอาจริงๆว่าพระเดพนันั์นนเออใช่ฮะเนี่ยสิ่งประกาศใไม่ อ่าขาอกราบอลาธนาจะไม่พอนะท่านองค์ฝ่นี้กราบอราศนานิมนต์คำมาคำเดียวกันหมันจะพูดทำไมมันยากเพื่ออะไรฟังเลยเพราะเหนื่อยนะคนฟังก็เหนื่อยนะ่ะนฝ่ากราบอลาธนานิมนต์อ่าใต้เท้าใช่ไหมฮะสอเท้าป่าละองศนา เนี่ยกราบก็กราบไปกราบเพียงกราบไปเข ก, ก็มียีบื่อแบบนั้นนะกราบอราศนานในบนนะครับสมเด็จบ้าบอกเขแตกแล้วก็แล้วแต่เจ้าพระคุณยังไม่พอแต่พ <laughs> ระคุณมันยกหมดแลนะ้วโอ้ยกไปสูงน่ยเสร็จแล้วไต่เท้า <laughs> ใช่ไหมไต่เท้านะหูตลักเรียกหูสดีไต่ทีนะ่เรเสร็จแล้วปัดตีนโอ้โหคนก็ไม่ได้ฟังนะเฟิร์สอ้โหปลื้มไปเลยแต่เขาลอกดา ต้องบอกเขาบอกว่ากระผมเปรียกเสมือนใต้เทา้าเอออย่างนี้กระผมเปรียบเสมือนฝาตีมเอออย่างนั้นเป็นยังนี่เรียกเขาเฉยเลยนี่ไม่ได้มาตลกนะเนี่ยมันฟังและไผ่เลาะผมเปรียกไมาเห็นว่าคําไผ่เลาะนั่นไม่ใช่เป็นคําเราะอย่างเฉยเฉยแต่ในคําด่าไปนในตัวหาความจริงกันไม่ได้แล้วมันไปอยู่ใต้ฝาตีมตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่ต้องไปเสียเวลาพูดเลยพุทธจ้าที่บ่กเ อ, เอาโซ่พันเตจบใช่ไหมครับท่านอาจารย์มีสองคำธนาลูกโซ่พันเต สั้นๆไม่มีตรงไหนเลยท่านไปดูดิใต้ฝาใต้อะไรก็มันก็ไม่รู้แล้วเอาเขาจิงทําอะไรก็ไม่ได้พวกเนี้ยสามแสนสี่แสนนะไปทีน่ะกดปุ่มจีนหลักรอแล้วสามแสนกลับมาลูก้ก็ไม่ขึ้นตะบะกลองมีผลเด็ดตรงนึงลขึ้นนะลดกมขึ้นถูก <c oughs> ทักการถ่ายท่านอาจารย์หงายท้องเอาติดูุงจริงๆมันติดพุงไงมันรู้ไปขึ้นอ่ะตะบะกลองขึ้นน่ะ <c oughs> อ๋ออ้องอย่างนี้กันเลยว่ต้องเลี้ยงพุงนะ เผาเจะนะรู้ไรู้ทีหลังขัดผิวโอ้โหก็จะได้มีทำนี่ไปดูอาย่างของท่นานไม่ต้องเงนเลยทําไปดูมันรู้ถึงไหนก็รู้แป๊บเดือนนี้กี่วันแล้วยังไม่ถึงสองเดือนเนี่ยแล้วท่านรอกเอาสิบสองคูณวันนี้สองเดือนเออน เ, นเนี่ยแล้วสองเดือนมาขนาดนี้แล้วท่านลองคิดดิถ้าก็าท่านในพรรษาเนี่ยนะท่านเพิ่งบวชสองเดือน อ่ะคิดว่างั้นนะคนจะเป็นอย่างนี้ไหมแล้วท่านบวชมากี่ปีแล้วเราเอาสองเดือนเนี่ยไปคูณถ้าท่านตั้งแต่เริ่มบวชได้สองเดือนมาถึงตอนเนี้ยท่านจะถึงขนาดไหนคิดอย่างนี้สิครับวิธีการคิดคิดอย่างนี้ทวนคบกลับไปเลยพุทโธนุ่งบอกอย่างเร็วเจ็ดวันอย่างชา้าเจ็ดปีถ้าเกินจากนี้พิจารณาตัวเองได้แล้วพิจารณาตัวเองได้แล้วพิดทางอยง่างนี้ก็เริ่มพิจารณาแล้วไงมาแล้วเรามาลองดูดิวาที่เราทํามันไม่ใช่เรื่องวินที อันแล้ว่พิงี้ถึงหลังใช่ไหมไม่งั้นต้องทําใจก็มด <laughs> <laughs> นะครับลองดูสิครับถ้าของจริงมันลองได้เลยไม่ต้องรอชาติหน้าท่านผีนต้องรอชาติหน้าเลยใช่ไหมครับไม่ยังไว้ให้เชื่อแต่มาทดลองดูนี่ล่ะเหมือนกันตอนนี้นากาึกว่ากล้าพูดได้แล้วเฮ้ยมันลองดูดิอันนี้พูดได้แล้วแต่ตอนแรกก็สันเนี่ยเอ้ยก็ยังไม่ได้เล่าให้ฟัง ไ, ไม่ยังจังไอเขาไปแล้ว เ, เล่าจาจายต้องให้อาจารย์ทุกคนเล่ า, อ, อ, า อ, อยู่ในเหตุการณ์เหรอยู่ในเหตุการณ์เอล่เล่าให้ฟังหน่อยดีครับท่านอาจารย์เป็นยังไงครับจริงๆ